ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะที่ันสันสนหนาคงมาพร้อมๆกับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM รแห่งนี้นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์หลังจากที่ท่านไพบูรณ์ได้จัดรายการในเวลาเดียวกันนี้ท่านเดียวมาตั้งแต่วันจันทร์ของทุกสัปดาห์นะคะคือมีทั้งสัปดาห์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเพียงแต่ว่า ถ้าจะมาพบกันแบบคุยสองคนเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะก็ ย, ยังมีประเด็นสนทนาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายในการดําเนินชีวิตประจําวันเช่นเคยนะคะในวันนี้มีคําถามส่งมาจากท่านฟังด้วยเดี๋ยวไปกราบน้มสักการท่านเพบยบุญกันก่อนก็นแล้วกันนะคะน้อมสักการค่ะท่านเพียบุญคะเจริบานค่ะ ท่านคือพระมหาภัยบุญอภิบุญโนจากวัดปารดไหโซอุดรธานีนะคะท่านฟังคะ่ะสําหรับเดือนนี้กําลังจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมในวันที่เท่าไหร่นะค ะ, ะสําหรับเดือนกุมภาก็จะมีวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาทุกทุ่เดือนจ่ทุกทุ่เดือนแล้วก็จะมีเดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็เ7ดวันนะคะก็ให้ท่านฟังได้รู้ไว้ว่าท่านภัยบุญที่มาดําเนินรายการกับท่านเนี่ยอยู่ในวัดที่มีการสอนการประปฏิบัติและตัวท่านเองก็เป็น เรียกว่าเป็นผู้บริหารโครงการลงมือฝึกสอนเองด้วยเนี่ยนะคะต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาถึงวันนี้เท่าไหร่สักกี่ครั้งไปแล้วคะท่านคะโอ้โหเจ็สิบครั้งแล้วบ้างคุณยมติวค่ะเจสิบ <70 S 1> รอบเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าได้ฟังจากผู้ที่ปฏิบัติเองด้วยศึกษาด้วยทั้งภาษาไทยภาษาบาลีแล้วก็เพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่าตัวเอง จะมีโอกาสไปปฏิบัติสักที่หนึ่งที่นี่ก็เป็นทางเลือกนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงความสม่ําเสมอว่ามีทุกเดือนอย่างแน่นอนฉัน mm. เองก็เหมือนกับท่านฟังอีกหลายๆายท่านนะคะสารภาพาว่ายังไม่เคยปฏิบัติเต็มคอร์สที่นี่สักทีหนึ่งไม่แน่นะคะท่านคะ ถ, ถ้าบุญมาวาสนามี <laughs> เดือนหน้าอาจจะได้ไปปฏิบัติก็ได้จะพยายามค่ะ mm. เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะคะสิบวัน ถูกไหมคะใช่รวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วัน9วันคือปกติเนี่ยการไปไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดแล้วช่วงที่อยู่วัดเต็มเต็มเนี่ยคือเจดวันเจ็คืนแล้วรวมไปกลับด้วยก็9วันค่ะดิฉันพูดแบบบริษัททัวร์สิคะเวลาเขาจัดไปไหนเนี่ยดูเหมือนมากแต่จริงจริงรวมทุกอย่างไว้หมดเลยค่ะท่านพปบูลค่ะถ้าอย่างนั้นไม่แน่นะคะดิฉันอาจจะได้ไปพร้อมๆกับท่านฟังท่านใดท่านหนึ่ง ที่ตั้งใจจะไปปฏิบัติในห่วงเวลาที่บังเอิญไปเจอกันก็ได้ซึ่งเข้าไปถึงที่นั่นเราอาจจะขออนุญาตเปิดการสนทนาบันทึกเทปเพื่อส่งออกอากาศเลยก็เป็นไปได้นะคะค่ะแต่วันนี้ค่ะท่านค ะ, ะคุณอิดเนี่ย น, นะคะก็เป็นผู้ฟังของครอบครัวข่าว f m 1เ6มร้อยหกเนี่ยเขียนมาว่าเรียนพระอาจารย์เมื่อเรามีความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดจากมีคนคิดร้ายตำหนิตีเตียนด้วยใจอกุศล เราจะมีการขจัดความขุ่นข้องหมองใจอย่างไรไม่ให้เราคิดร้ายหรือโตตอบกลับไปครับ mm hmm. ทีนี้อัีฉันจะยกคำถามคุณอิฐไว้ก่อนแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีคำถามอีกคาถามหนึ่งเผื่อว่าท่านจะเรียงลำดับในการตอบเพราะที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะตอบร่วมกันได้ uh huh. นะคะ น, นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของพระสงฆ์วัดหนึ่ง mm hmm. ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะทีนี้ เราเป็นโลกของโซเชียลมีเดียคนแสดงความคิดเห็นนี่ก็มีเยอะแยะมากมายการแสดงความคิดเห็นก็ออกไปในทางรุนแรงก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันด่าบริภาษก็มีนะคะทีนี้ดิฉันจะไม่ลงไปในเรื่องความถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะว่าได้กราบเรียนถามความรู้ทํานองนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจคือมีเพื่อนคนหนึ่งส่ง สิ่งที่เพื่อนของท่านคนนั้นอีกคนหนึ่งเขียนมายาวมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าการด่าพระเนี่ยเป็นบาปอกุศลไม่อยากให้ทำกันตั้งข้อสังเกตมาว่าพระล้วนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะที่เคยยกตัวอย่างมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็เคยถูกตำหนิโจมตีในลักษณะใกล้เคียงกันกับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ Mm hmm. แล้วในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเหมือนเดิมเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะแต่ว่าบางทีก็มรณภาพไปแล้วบางทีก็สูงอายุมากแล้วก็เรื่องเงื่อเงียบไปอื mm hmm. สมัยก่อนนั้นโด่งดังได้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แรงจริงๆเพราะว่ากระแสะสังคมไม่มีเครื่องมือช่วยกระพือง่ายๆแบบทุกวันนี้นะคะอ mm hmm. mm hmm. ทีนี้ที่เล่าต่อมาก็คือว่า มาถึงตอนที่บอกรู้ไหมว่ามันเป็นบาปมากมีการพบในไม่ทราบถ้าไต่ปิดกหรืออะไรนะคะเป็นเรื่องทํานองว่ามีปลาตัวหนึ่งปากเหม็นมาก<อ>ก็มีการสอบถามกันโดยพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็ได้ทราบว่าทำผิดทํานองนี้มามนะคะแต่สุดท้ายเลยเนี่ยดิฉันถามไปเลยทีเดียวแล้วให้ท่านเล่าเลยนะคะว่าประเด็นต้องการจะทราบว่าแนวทางออก เกิดเราก็เชื่อโดยบริสุทธิ์แล้วเราก็ต้องการที่จะปกปักพิทักษ์สิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องดีงามนะคะเผื่อจะไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นกะสําสหรับเรื่องอื่นด้วยก็แล้วกันทํายังไง้การที่เราจะจะต้องทําหน้าที่คิดว่าเราต้องทําหน้าที่ที่ถูกต้องถึงจะไม่ทําให้มีอกุศลมีบาบมีกรรมหรือว่า ยังอยู่ในคลองของธรรมทีม่พระศาสดาสอนไว้ในในสองเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ประเด็นคุณจมตีออกมาจะแยกแยะไปทีละเรื่องแล้วคําถามคุณอีกก่อนอย่างที่พูดถึงว่าความคุณข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในใจเราเกิดขึ้นในใจเรานะจากที่มีภาษาจากภายนอกมากระทบเขาอาจจะติดเตียนด้วยว่าจะหยับคายหรือว่าจะสุภาพหรืออาจะพูดด้วยจิตที่พยาบาทหรือเมตตาก็ตามไอ้ข้อที่เขาพูดเนี่ย ก็กมีรู้จริงหรือว่าเท็จอย่างไรอาจจะมีจริงบ้างอาจจะมีเท็จบ้างแล้วลักษณะการพูดของเขาเนี่ยมีจิตเมตตก็มีมีจิตที่เอ่อมีความโกรธก็มีในลักษณะ5อย่างตรงลักษณะ5อย่างในพระพุทธเจ้าได้พูดถึงลักษณะของวาจาที่คนเขาจะกล่าวหาเราได้มีอยู่5อย่างนี้แต่ละสิ่งนั้นบางทีก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้อาจะเป็นประโยชน์ในบางแง่ไม่เป็นประโยชน์นชน e. นชนในบางแง่ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมากล่าว หาเราด้วยลักษณะ5อย่างไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ซึ่งอย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าเขาพูดสุภาพก็ตามนะแล้วก็พูดถูกเวลาด้วยคําพูดนี้ก็มีประโยชน์พูดจากจิตเมตตาแล้วก็เป็นคําพูดที่สุภาพนะบางที่เราโกรธก็มีแต่ในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าพูดแบบหยาบคายพูดไม่ถูกเวลาพูดเรื่องโกหกแล้วก็พูดแบบเพ้อเจอด้วยเนี่ยไม่มีประโยชน์ด้วยเราโกรธอันนี้บางคนคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ อาจจะเหมาะสมที่จะกรดเข้าใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามในะจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่แปรปรวนในะเราจะต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปวิธีทํำยังไงได้เคยเปรียบเทียบไว้ถึงอุ ป, ปมาอุปไม้ห้าอย่างด้วยกันใอุปมาอุปไมยแรกเนี่ยเปรียบเหมือนกับแผ่นดินแต่ถ้าจะมีคนเอาจอบเอาเสียมนะแล้วก็บุ้งกีไปขุดแผ่นดินไม่ให้มันเป็นแผ่นดินอย่างเงี้ยอย่างที่เขาทําเหมืองแล้วเขขุดลงไปขุดลงไป ยังไงแผ่นดินมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่ดีแต่คุณไม่สามารถทําแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินได้ยากมากแต่คือทํำจิตให้เหมือนแผ่นดินแต่ไม่ว่าใครจะมาขุดจะทําอะไรยังไงแผ่นดินนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นแผ่นดินไปได้แต่คือทําจิตให้มันกว้างขวางไปลักษณะนั้นอันนี้คือข้อที่1แต่ข้อที่2ก็คือเปรียบเทียบกับแม่น้ําแต่แม่น้ําคงคาอย่างนี้แใครจะเอาไฟมาเผาให้แม่น้ําเนี่ยเดือดพร่านร้อนจัดเนี่ยหู้ไม่ได้เลยแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่า น้ำมันมีปริมาณมากนะนี่คือข้อที่2ทําจิตให้เหมือนกับน้ําข้อที่3นั้นเปรียบเทียบกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟนะูหมายความว่าแผ่นหนังที่เขานวดแล้วทุบแล้วอย่างดีในเวลาตีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงถ้าบอกใครจะเอาค้อนเอาไม้หัวโมง่งอะไรมาตีให้มันเกิดเสียงเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยนะี่คือทําจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ ที่ฉันเพิ่งเคยได้ยินเลยค่ะแผนนั้งมาป่าคนฟูน่าสนใจมากค่ะแล้วก็ท่านต่อข้อที่4นั้นทําจิตที่เหมือนกับอากาศว่าคนที่จิตกรเขาจะเอาผู้กันเอาปากกามาเขียนอากาศให้เป็นรูปปรากฏอยู่เนี่ยก็ทําไม่ได้ในะสมัยนี้เขามีเทคนิคคนโยมติวก็เอาน้ําพ่นขึ้นไปในอากาศใช่ไหมแล้วก็เลเซอร์ยิงเนี่ยเหมือนกับเป็นเฮลโลกราฟิกขึ้นมาหรือว่ามีหมอกยิงด้วยแสงตัดกันต่างต่างๆก็เป็นเฮโลกราฟิกขึ้นมา นะซึ่งตอนนั้นมันก็จะต้องมีวั ส, วสดุที่สะท้อนแสงมารองรับใช่มารองรับก็จะไม่ใช่อากาศอยู่ดีและ น, น, นี้ก็คือ4อุปมาปไมยแล้วก็อุปไมยอันที่5เนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับถ้ามีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเราเนี่ยน ะ, ะนะเราจะต้องไม่มีจิตที่แปรปรวนะจะต้องไม่กล่าวว า, าจาร์เป็นบาจะต้องมีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตานะคือการที่จิต ของเราจะเป็นอย่างนี้ได้เราต้องมีการเจริญเมตตา ม, มาแล้วก่อนหน้านี้นะ <Okay. S 1> สมมุติว่าเราต้องการหวังความที่ไม่มีความขุนข้องหม่องใจตอนนี้นะตรงนี้นะคุณต้องการความให้ขุนข้องหม่องใจเมื่อวานนี้คุณทําอะไรนะวันก่อนนั้นคุณทําอะไรนะฝึกอะไรมามีเมตตา ม, มาก่อนหรือเปล่า <Okay. S 1> นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องห้องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยควันแก๊สของมีเทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ <Okay. S 1> หรือว่าแก๊สที่มันรั่วออกมาเนี่ยถ้ามีประกายไฟจุดปุ๊บตุ้ม um, มันระเบิดทันทีเพราะว่ามันมีแก๊สเต็มอยู่เป็นหมดแล้ว นีแก๊สที่ไวไฟเช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีมิจฉาสังกปะความดับริผิดเนะมีความขุ่นอยู่แล้วใครมาพูดสกิดนิดนึงมันตู้มใส่เลยระเบิดตัวเองด้วยระเบิดเขาด้วยเนี่ทีนี้แต่ถ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําเต็มไปด้วยอากาศเนี่ยจ้าไฟมาจุดใส่เอาครบเปลืองมาปาใส่มันไม่ติดไฟขึ้นมาเนีเช่นเดียวกันเราจึงต้องมีความที่จิตเป็นไปด้วยความมหากรตาคความยิ่งใหญ่ของเมตตาอยู่อยู่ก่อนแล้ว ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทําให้เป็นเหมือนกับยานเครื่องนําไปคือทําให้มันใช้เป็นที่อาศัยได้เน่ยทาให้สม่ําเสมอปลารบให้รอบคอบเปลี่ยนปลารบสม่ําเสมอด้ดีอันนี้ ค, คือในส่วนกำเนาดของคุณอิดนะคือเราต้องมีจิตเป็นไปด้วยกับเมตตาตรงนี้คุณคุณสันณีนี่ก็ได้ประโยชน์ด้วยเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็คิดว่ารู้มากนะคะรู้พอสมควรทีเดียวเนี่ยที่ท่านกล่าวมาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เรื่องหนังแมวป่ากขนฟูเท่านั้นที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนแต่ว่า ยอมรับนะครว่าบางทีเนี่ยเราก็ได้พบว่าไอ้ ก, การทําได้กับการรู้เนี่ยแตกต่างกันมาก ใ, ในทันทีทันใดเมื่อมีสิ่งมากระทบใช่ในือ่อมทีนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตใจของเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยการกระทบในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะอ่าจากสื่อที่เขามาด่ามาว่าเท่านั้นนี่คือสื่อทางหูทางอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันทีวีแต่มันข้อความมาทางมือถือนแต่ภาษามันมากหรือเกินแล้วเรื่องที่จะทําให้จิตของเราเนี่ย ส่งออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาความรับผิดชอบเนี่ยที่จะทําให้จิตเราเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขานี่ยคือหมายว่าในกรณีนี้ถ้าเราจิตเราส่งออกเนี่ยนะถ้าเราส่งจิตออกเมื่อไหร่นําหมายความว่าเราเอาความรับผิดชอบเราเอาความสามารถในการควบคุมจิตให้คนอื่นเข้าไปเนี่เพราะนั้นจิตเราต้องไม่ส่งออกเนีจิตเราจะไม่ส่งออกได้จิตเราจะต้องมีสติตั้งออกไปเนี่ยคือการที่เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากๆบ่อยๆเนี่ย จิตเราส่งออกแล้วเราก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นท่านคะดิฉันขออนุญาตขอถามตรงนี้ให้ชัดเจนว่าที่ว่าเอาภาระรับผิดชอบให้คนอื่นเหมายความว่าอย่างไรชัดๆคะอาารคือหมายความว่าอาการที่จิตของเราจะเป็นไปในลักษณะไหนไหนะจะดีใจจะเสียใจเอาให้คนอื่นเขาพาลากไปพาลากไปนะไปตามความคิดนั้นๆไหนทะี่เราคิดเรื่องที่เป็นไปในลักษณะที่เราไม่เกิดความพอใจ จิเราก็จะไปเคลิบเค ล, ลิ้มลุ่มหลงบลอดใจเอาคุณทําไมเอาบางเหียนให้เขาคุมไปละ่ะ <Okay. S 1> หรือถ้าเราไปคิดเรื่องราวที่มันจะทําให้เกิดความขับแค้นคขุนข้องหมองใจเอาแสดงว่าเราเอาบางเหียนในการที่จะควบคุมจิตของเราเนี่ยเอาให้เรื่องนั้นไปเพราะจิตเราไปส่งออกคือ oh, <okay. S 1> จิตของเราเนี่ยไปจอ่อไว้ที่ไหนตรงนั้นมันก็จะมีกําลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าอยาเอาจิตของเราเนี่ยส่งออกไปข้างนอก <Okay. S 1> แต่โดยต้องมีสติตัต้งไว้ในภายในทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่คุณโยมติว๋วพูดถึงว่า ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดๆในสังคมนะเรื่องที่เราคิดว่าถูกก็มีเรื่องที่มันเราคิดว่าถูกแต่ว่าเห็นว่ามันผิดก็มีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเก<ช>ิดในลักษณะนี้แล้วประเด็นคือจิตของเราต้องไม่แปรปรวนเพราะว่าถ้าจิตของเราแป ร, รป ร, รวนปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เนี่ว่าคนนั้นเขาถูกจริงหรือเขาผิดจริงแตถ้าสมมุติเขาผิดจริงแต่ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจของเราแต่สมมติเขาผิดจริงนะเขาทำชั่วจริงๆริงเขาผิดจริงเขาไม่ได้มีความคิดอย่างที่เขาคิดว่าจะทําถูกล่ะเขาผิดจริงๆ เนะ้อเราคิดชั่วคิดไม่ดีในภายในใจของเราเนี่ยความร้อนไม่ได้เกิดที่เขานะความบาปไม่ได้เกิดที่เขาวเกิดที่เราแสดงว่าเราเนี่ยไปสร้างบาปคือแบ่งบาปเข้ามาคือไม่ได้แบ่งเราเป็นบาปใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะวาความขุ่นข้องหมอง ม, องมวลที่เกิดขึ้นในจิตของเราทีนี้ถ้าเขาถูกนะคุณโยมติว๋วถ้าเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ได้มีเจตนาชั่วเขามีเจตนาดีแต่การการะทําสังคมบางทีมันบิดเบือนทําให้เห็นว่าเขาทําไม่ดีอย่างเงี้ยเรายิ่งบาปหนะัก เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนด <Okay. S 1> นะีความที่เขาเป็นคนดีอย่างน้อยเราดูยังไงว่าเขาดีหรือไม่ดีอยู่ที่ศีลดูที่ศี น, นยังกรณี <Okay. S 1> ของพิกูุชาวเมืองโกสัมพีนี่ก็เหมือนกันแตนะ่พิสูจชาวโกสัมพีนี่ไม่เชื่อฟังพระพุทธนะเจ้าเนรดาทหการแบ่งภักแบ่ ง, บ ง, บ ง, บ ง, บงพวกกันแต่ก็ยังมีศีลนะมีอณาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือว่า นางวิสาขานี่ก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊สอพวกนี้มาเนี่ยจะทํายังไงจะไม่ต้องการให้เข้ามาในเมืองไม่ต้องการให้เข้ามาในวดัดจะไม่ถวายอาหารอะไรต่างๆแตนะ่พระพุทธเจ้าห้ามาไว้บอกว่าให้ถวายเถอะเพราะอย่างน้อยพวกนี้เขาก็ยังมีศีลแต่เพียงแต่ว่าไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วนะก็ให้ถวายให้พอๆกันให้เท่าๆกันนะ <Okay. S 1> คือให้เห็นเรื่องสิ่งที่เป็นอา m i t อะไรพวกเนี้ยเป็นลําดับรองนะเห็นสิ่งที่ หน้าที่ที่ควรทำเช่นการถวายทานนี่เปนเรื่องสำคัญกว่าอันนี้คือประเด็นที่1นึ่งนะประเด็นที่1ก็คือบาปที่จะเกิดขึ้นในใจของเราแต่มันจะยิ่งมีมากถ้าเผื่อว่าเขาเป็นผู้มีศีลอันนี้คือประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2มีพุทธพจน์อันหนึ่งที่ได้ตรัสไว้ในพยัสณสูตรกุณยมติวที่อันนี้อยู่ในอังคตุราลิกายบอกว่าบุคคลที่ด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ติเตียนพระอริยเจ้า ด่าบริภาษเพื่อนผู้ประพฤติประจาำหมายว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่า <Okay. S 1> งคนเรานั่งปฏิบัติธรรมด้วยกันในศาลาหรือในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยโหคนนี้หมายจะทไมตัวเหม็นเหลือเกินนะเราคิดด่าเขาในใจอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> แต่แต่เขาก็มีศีล น, นะเขาก็ไม่ได้ฆ่าสไม่ได้ลักทรัพย์แล้วก็ทําสมาธิได้ไอจิตที่เราไปบริภาสเขาตรงเนี้ยด่าเขาคิดไม่ดีกับเขาตรงเนี้ยคุณจะต้องเจอความชิบหายอย่างใดอ ย, งอย่างหนึ่งใน1ิยอย่างนี้นี่ประพฤติเจ้าต ร, ตราัสไว ลองดูจาับไปเลยเหรใช่อันนี้เป็นพุทธปล่อยคือข้อที่1จะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุนะโอ้ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วอันนี้ก็ที่สองสสัตยธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วแต่ถ้ามีคุณธรรมใดๆมันก็ไม่ผ่องแผ้วมันก็มัวหมองแลข้อที่สี่เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตว์ธรรมคิดว่าตัวเองบรรลุน่ยมันหนักขนาดนั้นเลยนะค่ะแล้วข้อที่5เนี่ยจะไม่ยินดีในการบารบุดพรหมจันท์ ทำไมก็ามาปฏิบัติธรรมอะไรยังไงก็ไม่สนใจไม่จิตไม่น้อมไปในทางนั้นแล้วข้อ <Okay. S 1> ที่หกนั้นก็จะต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการปฏิบัติของตัวเอง <Okay. S 1> นะถึงขนาดว่าเกิดข้อที่เจก็คือว่าต้องลาศึกลาสิขาไปแต่เป็นกรณีของพระสงฆ์ข้อที่8ก็ถูกต้องโรคอย่างหนัก <Okay. S 1> นะส่วนข้อที่เกย่อมถึงความเป็นบ้าหรือความฟุง้งซ่านแห่งจิตนะคือประสาทไป ข้อที่สิเนี่ยถ้าตายก็หลงไหลทําการละคือหมายความว่าบางทีเพอ้อขึ้นมาตอนที่จะตาย <Okay. S 1> แล้วก็ข้อที่11นั้นคือถ้าตายไปนั่นก็ไปอบายทุกขติมีนิบาตแล้วก็นรก <Okay. S 1> นะั่นสิบเอ็ดอย่างนะเห็นได้ในปัจจุบันทันทีคุณโยมเติยวเหล่านะพวกที่ออกมาด่าพระกันเย้ยวเย้เนี่ยดนะ่พระองค์นั้นด่าพระองค์นีน้นได้ศึกเราเห็นกันอยูนะ่หรือถึงความเป็นบ้านะหรือว่าเข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุเสนะื่อมจากธรรมะที่ตัวเองบรรลุแล้ว ค, คือเราไม่รู้แหลกว่าที่เราด่าไปเนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราบางทีมันบอกได้ยากเอาตอนให้เขาไม่ดีตอให้เขาไม่ดีก็กลับมาที่ประเด็นที่หนึ่งว่าบาปมันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเขาดีนะโอ้ยิ่งโดนหนักค่ ะ, คะท่านพิบุญคะ่ะดิฉันเข้าใจว่าคนที่ลูกออกมาบริพาทต่อว่าอะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนกับ ว, ว่าวิธีการอาจจะหนักเบาไม่เหมือนกันในแต่ละคน ก็อยู่ที่ว่าจะมีสติมีวิธีในการที่จะแสดงออกอย่างไรแต่โดยเจตนาเนี่ยอาจจะเป็นเจตนาดีดันที่ได้กล่าวเรียนท่านในตอนตอนน้นนะคะว่าเพราะรักพระพุทธศาสนามากมรักสิ่งที่ดีงามสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากบุคคลที่ดีงามบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากจึงจำเป็นต้องมาบอกว่าไอ้คนที่มันทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเลวชั่วมมไม่ดี อ, อย่างเงี้ยค่ะด้วยความบริสุทธิ์ของเขานะคะ เพดิฉันเนี่ยพบเรื่องพวกนี้ในห้องธรรมะเยอะมากค่ะถามคุณโยมติ๋วอย่างงี้บอกว่าถ้าในนามของความดีเราจะทําความไม่ดีเนี่ยในนามของความดีมันได้หร อ, อดิฉันไม่ทราบเลค่ะคือคนคนขนาดที่ทําเนี่ยเอ่เอาให่ดิฉันดิฉันต้องถามต้องเรียนท่านอย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกคนนคิดว่ากําลังทาดโีโอเคและอาจจะตําหนิคนที่อยู่เฉยๆทาไมไม่ออกมาแสดงอะไรบ้างโเ ค, โเคว่าเป็นคนไม่ดีไม่รักษาความถูกต้องค่ะเอาย่างี้อย่างนี้สมมติเราเราต้องการความสะอาดใช่ไหม เราเอาน้ําสกปรกเนี่ยไปไปชำระล้างเนี่ยมันจะได้เหรอมันจะสะอาดไหมเอาตามแค่ น, นี้ก่อนอสแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจว่าในหัวข้อที่ท่านพูดมาถึงผลเสีย11ประการการกระทํานั้นๆเนี่ยมันมีความไม่ดีขนาดนี้จึงเปรียบเหมือนน้าสปกปรกถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องเช่นเช่นว่าถ้าสมมติเราดาบริภาษ์นะคุณดาด้วยความรุนแรงหรือว่าเบา ๆ, ๆด้วยเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ละ่ะแต่นั้นถ้าถ้าตมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิจฉาม a r g นะ เช่นมิชาวาจาเนี่ยเช่นมิชากรรมันตาเน่ยถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้เฮ้ยอันนี้มันน้าสกปรกนะแล้วคุณจะเอาน้ําสกปรกไปชําระสิ่งที่มันสกปรกให้มันสะอาดเนี่ยมันไม่ได้ค่ะมันมั น, นไม่ได้ดิฉันมาถึงประเด็นสุดท้ายได้เลยนะครับอย่างเสุดท้ายของดิฉันนะครับแต่ <c oughs> อาจจไม่สุดท้ายของท่านก็ได้ประเด็นสุดท้ายจึงมาถึงคําถามที่อยากกลับเรียนว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่ช่วยรักษาสิ่งที่ดีงามคนที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้อง เอาไว้ได้ด้วยวิธีอย่างไดสี <4 S 2> วิธีคุณโยมติว๋ว4วิธีะนะเปรูชาเปรียบเทียบเอาไว้นะกับนักแสดงกายกรรมแต่วนะ่าอย่างนี้คุณโยมติวจะรู้ทันทีแตนะ่ว่าคนเขาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะซัพพอร์ตคนที่อยู่ข้างบนได้นะคุณก็จะต้องรับน้าหนักจากคนที่อยู่ข้างบนคนที่อยู่ข้างบนจะให้คนที่อยู่ข้างล่างรับน้าหนักของตัวเองได้ก็ต้องทําตัวให้มันทรงตัวให้มันดีใช่ป่ะซึ่งเขาจะต้องถ้อยดีถ้อยใสกันแตนเะพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาคนอื่นให้เขาดีได้เนี่ย หคุณต้องอดทนความอดทนเป็นคุณธรรมที่ดีนะเป็นกูศุธรรมโอเคนะสเราต้องไม่เบีดเบียนแต่ไม่บีดเบียนด้วยกายด้วยวาจาการไม่เบีดเบียนเป็นกูสุรธรรมนะแต่ถ้าเบีดเบียนกันนี่ไม่ใช่แล้วนะอ่าสาต้องมีเมตตาจิตต้องมีเมตตาจิตเราจะมาคิดอาฆาตว่าเฮ้ยทําไมแกทําไม่ดีเนี่ยไอ้การคิดอาฆาตเนี่ยเป็นอกุศลธรรมนะเป็นน้าสกปรกแต่เมตตากันเนี่ยเป็นน้ําสะอาดแล้วก็ข้อที่4คือความรักใคร่เอ็นดู แต่ <c oughs> ความรักใคร่เอ็นดูนี่ก็คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความผิดที่เขามีอยู่แล้วก็ ค, ค่อยบอกค่อยสอนกันค่ะ ม, มาเข้าบทที่ดท่านชอบมากเล ย, เยใช่ไหมคะว่ารักษาผู้อื่น <c oughs> ใช่ทต่ท่นท่องในแผ่นพับที่ท่านให้มาเนี่ยชอบมากอดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใครเ่เอ็นดูอืมอ้าวทีนี้เรามาดูตัวอย่างเนี่ยมาดูตัวอย่างที่มีในเรื่องสมัยวุฒิการที่คุณยมติวพูดถึงปลาตัวนี้แหละค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อไกส์สป่า นะมีภิกษุผู้หนึ่งมาบวชในะชื่อว่ากัปปิระในภิกษุกปิละนี่ก็มีความเชี่ยวชาญศึกษาพระไตรปิฎกนะแตกฉานมากรู้หมดเลยไม่ว่าจะปิฎกไหนความรู้ในด้านพุทธพจนียของเขานี่หลากหลายมากแตนะ่ปรากฏว่าพอรู้มากเนี่ยก็เที่ยวไปด่าคนนั้นมากคนนี้แตนะ่คนนั้นทําไม่ถูกคนนี้ทําไม่ได้แตนะ่สู้เขาไม่ได้เก่งไม่เท่าเขาอย่างนี้แตนะ่คนอื่นมาเตือนก็ไม่ฟังแตนะ่สมัยนั้นก็เลยมีการแบ่งเป็นพวกละพวกภิกษุกัปปิระนี่ก็พวกหนึ่ง กับพวกที่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็อีกพวกหนึ่งแต่แต่พวกที่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนี่เขาก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่ากลับนะเขาก็คือแบบเงียบเงียไปอดทนไว้เนีพยาัญญมีเมตตาชีรักษาไว้มีแต่พวกของกัปปิลักษ์เท่านั้นแหละที่ว่าด่าคนอื่นว่าคนอื่นน่ยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเป็นงูพิษละ่ะทีนี้เนี่ยพอเป็นงูพิษมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมลงค่อยๆเสื่อมลงแนี่ตัวเองพอตายไปเนี่ยก็ไปตกนรกเนี่ยโด้ยอยู่นรกนานมาก อยู่ในวีจีมหารนรกเนี่ยแล้วก็พอหมดอายุจากนรกนั้นมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานั้นก็เกิดเป็นปลาทีนี้เกิดเป็นปลาตัวใหญ่มากลปลาตัวใหญ่แล้วก็มีสีทองด้วยแต่ที่มีสีทองเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เฉลยให้ฟังในตอนท้ายของเรื่องนี้บอกว่าก็เป็นเพราะว่าบุญกุศลที่เขาได้บอกสอนสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บอกสอนคําสอนของพระพุทธเจ้ากับสปะเอาไวา้่ทรงจำเอาไว้ตรงเนี้ย เนเศษของกรรมดีตรงนี้ก็เลยทําให้เขามีกายเป็นสีทองแต่ ว, ว่า ป, าปลากะพิละนี้เวลาอ้าปากออกมานะคุณโยมติ่โอ้ปากเหม็นมากเลยเนืเหม็นไปทั่วเชตาวันนื้อก็ด้วยเศษของกรรมที่ว่าเที่วยวไปด่าบริภาษคนอื่นนื้อด่าบริภาษคนอื่นแล้วมันก็เลยนี่คือเศษของกรรมเฉยๆนะนืคือกรรมชั่วเนี่ยได้ผลไปตกนรกนือนี่คือข้อ11ในเรื่องของการด่าบริภาษผู้อื่นแต่แล้วเศษของกรรมชั่วนี้ยังเหลือมาทําให้มีปากเหม็น แล้วก็ต้องกลับไปตกโรคอีกเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันก็มีแต่ น, นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีคือลักษณะของปลาที่ชื่อกัปปิระส่วนถ้าเปลว่าตัวอย่างที่ดีก็คือของอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาพยายามอดทนเขาพยายามที่จะมีเมตตาคอยที่จะสมัครสมานสามัคคีแต่แต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้นะเพระาะมันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคน้นก็อดทนกันไปแล้วก็ทำกิริรายามันให้ดีแล้วกันตรงนี้ต้องมีสติ น, นั่นเองค่ะท่านพิบูลครับทีนี้ มาถึงก่อนจะจบในี่ยานยากลับเรียนถามท่านว่าดูเหมือนกับจะทำให้คนเป็นจานวนมากถ้าหากมีความรู้นี่เลาก็แหมเวลาจะวิาพากษ์วิจารณอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์หรือไม่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอเอตรงไหนทำถึงจะพอดีพอดีอนะคะพอสมมติว่าเรารู้อะสมมติว่าเรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ผิดแล้วสร้างความเสียหาย ให้กับคนอื่นอย่างแน่นอนอืมนะคะเพราะว่าทําในสิ่งที่เราเป็นผู้ชํานาญการเนี่ยเราดูปุ๊บเนี่ยหมันไม่ถูกละอ่ะอะาาแล้วจะทำยังไงล่ะครเราก็ทําความดีเราทําความดีให้เพิ่มขึ้นะเราทำความดีให้เพิ่มขึ้นทางกายทางวาจาทางใจด้วยนะนี้จะยิ่งดี น, นี่คือคือทําความดีมาล้างความชั่วเขา้าใจไหมคือไม่ใช่เอาความชั่วมากลบคนความชั่วไม่ได้ต้องเอาความดีเนี่ยมากลบความชั่วถึงจะถูกค่ะ ดันออกไปเอาน้ําเสียเอาน้ําดีไล่น้ําเสียถึงเงยถูกงั้นก็ขัดกับกระบวนการทางโลกสิคะเหมือนกับว่าในกระบวนการทางโลกถ้ามีการพบความผิดเช่นนี้จะต้องมีการสอบสวนการสอบสวนจะมีการบริพาดการกล่าวหาการหาหลักฐานจริงเท็จมาใส่กันอันนี้เขาเรียกว่าใช้อาจยาและใช้ศาตราแตมีการค่าโทษมีการใช้กฎหมายก็ทำไบนี่คือทางโลกแต่ในทางธรรมะกุญยมติ่วธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยไม่ต้องมีอาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรา มันเป็นอย่างนี้ค่ะงั้นก็คือต้องชัดๆนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขณะที่กําลังกราบเรียนถามท่านพิบูร์ในวันนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องตามคลองธรรมที่หลักพระพุทธศาสนาของเร า, พ ร, พ, าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างใช่พระพุทธเจ้าบอกไว้ยอย่างนี้อบอกว่าเราจะต้องสามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นฆ่าศึกนะให้ราบคาบไปโดยทําให้ได้ค่ะตรงนี้นั่นเองข่มขี่ ปราบวา ท, าวาทะอันเป็นค่าศึกอะไรที่มันไม่ใช่คําสอนของพุทธคุณบอกว่าใช่ทําไม่ถูกแล้วบอกว่าผิดทําผิดแล้วบอกว่าถูกเนี่ยอันนี้คือวาทะอันเป็นค่าศึกเราจะปราบ ใ, ให้มันราบคาบไปต้องใช้ด้วยโดยธรรมเท่านั้นด้วยโดยธรรมนะคะก็กราบนมหกา ร, การขอบพระคุณนะคะสำหรับสิ่งที่เราได้รับเป็นความรู้จากราพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีในวันนี้สําหรับในวันนี้ก็หวังว่า จะได้ธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกท่านกันมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณอิทค่ะก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านแล้วพรุ่งนี้พบกันนะคะนมัส ก, การท่านคะท่านฝั่ฟังที่เคารพค่ะพรุ่งนี้ก็มาฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพล์บุ์อภิปุญโงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าว f อฟเรรายการสรรสเนีสมทนานี้พุทวีสวัสดีค่ะ